มีไหมนั่งภาวนาดูสมุทยัยสมุทยัยสมุทโยอริยสัจจังลุกขสมุทโยอริยสัจจังตัณหามันเป็นสมุทยัยสมุทัยสัจ สมุทัยสัวเป็นของจริงอย่างหนึ่งที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นของจริงอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าทุกขสมุทัยสัยตว์ที่เราสวนเมื่อกี้เนี่ยเขจัดใส่ในปิยรูปสาตรโรุโลกสิบหมวด เขาว่าปยรูปซาตารูปแปลว่าสิ่งเป็นที่รักสิ่งเป็นที่ยินดีปิยรูปังซาตรูปังโูปเป็นที่รักเป็นที่ยินดีโูปเป็นที่รักโูปเป็นที่ยินดี สัาปิยรูปังซาตารูปังเสียงเป็นที่รักเสียงเป็นที่ยินดีคานะคันทะกลิ่นเป็นที่รักเป็นที่ยินดีรสรสเป็นที่รักเป็นที่ยินดี การสัมผัสโพตภะเป็นที่รักเป็นที่ยืนดีโพตภะคือการกระทบกระทบที่กายกายนี้หมายถึงกายยักประสาทกายยักษ์ประสาทของเรามันไปกระทบกระทบเย็นกระทบร้อนกระทบแข็งกระทบอ่อนกนน็ได้ากระทบเค็มคัน ลองไปกระทบเราซิเคียมผิวหนังผิวหนังของเราเนี่ยขเราน้ําปลามาใส่ดูเคม็เคมๆดูคันคันอเป็นสัมผัสอะไรสัมผัสคันนะสัมผัสคันแะสัมผัสเคม็เคมๆกายในที่นี้หมายถึงกายยักประสาทไม่ได้หมายถึงกาย อย่างอื่นหมายถึงกายภาษาตกายภาษาตมันมีรอบตัวเรารอบข้างตัวเราแม้แต่ปลายผมปลายขนเนี่ยมีมดไตตอมขึ้นเราเกิดความรู้สึกเรียกเรียกความรู้สึกจากสัมผัส <c oughs> ธรรมารมธรรมารมธรรมารมารมเป็นท wow. ี่รักเป็นที่ย <regardez> ินดีธรรมารมเป็นที่รักเป็นที่ยินดีธรรมารมเป็นที่รักเป็นที่ยินดีธรรมารมโพธิปภะ ธรรมาโลเกปิยรูปังซาตุรูปังโพธพาโลเกปิยรูปังซาตุรูปังธรรมาโลเกปิยรูปังซาตรูปังธรรมรมณเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกรักใคร่พอใจสรุปลงแล้วก็วคือ สิ่งที่เป็นสื่อทั้งหมดที่จะนำไปสู่ใจเนี่ยสิ่งที่เป็นสื่อทั้งหมดที่จะนาไปสู่ใจยอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสพธัมธรรมะลมเป็นสื่อเป็นสื่อเอาอะไรเป็นสื่อเอาตำหาเข้าไปสู่ใจ ตาเป็นปิยรูปสาตรูปรูปเป็นปิยรูปสาตรูปหูเป็นปิยรูปสาตรูปเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจเสียงเป็นปิยรูปสาตรูปเสียงเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจฐานะจมูกเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจ คันทัคันทักกลิ่นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจอชีวะชีวะลิ้นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจรสรสสักนระเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจอกายกาย เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจโพตพภะเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจกายะโพตพภะเป็นท <ma have> ี <dying> ่ร <cer> ักใคร่เป็นที่พอใจกายะโพตพภะ เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจโปทพาโลเกปิยรูปังซาตรูปังปัญหาเมื่อจะเกิดก็เกิดขึ้นที่โพทภานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่โพทภานั้นปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็ตั้งอยู่แต่ตอนมีโรค สมุทยัยมีรสมีรสพูดถึงดับไปเกิดขึ้นตรงนี้ตั้งอยู่ตรงนี้ดับไปตรงนี้ตัญหามเกิดขึ้นคือมันมันมาตามสื่อเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจทีนี้ความรู้สึกทางตาท่าเรียกจกขู่วิญญาณมันแทรกเข้าไปได้หมด โสตะวิญญาณคานาสิววิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเป็นสื่อตัณหาแทรกเข้าไปในหมวดวิญญาณนะหมวดวิญญาณหมวดผัณฑ์จะขุ้สัมผัสโสตสัมผัสคานาสัมผัสสิวหาสัมผัสกายาสัมผัสมโนสัมผัสตัณหามแทกเข้าไปทางสัมผัส แท้จริงมันทำงานจึดเดียวถึงกันหมดอันนี้ทำมันไล่ให้เราทราบเฉยๆในลักษณะของปฏิจจสมุปบาทมันเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันสัมผัสเวทนาจะขุ่สัมผัสสรีชาเวทนาเวทนาเกิดขึ้นจากตาสัมผัสรูปโสตสัมผัสศรีชาเวทนาเวทนาเกิดขึ้นจาก หูสัมผัสเสียงาณะสัมผัสเสียชาวทนาเวทนาเกิดขึ้นจากาจมูกสัมผัสกลิ่นชีวาสัมผัสเสียชาเวทนาเวทนาเกิดขึ้นจากลิ้นสัมผัสรสกายะสัมผัสเสียชาเวทนา เวทนาเกิดขึ้นจากกายสัมผัสกายสัมผัสโผล่ถ้าผมโนสัมผั ส, สชาวาเวทนาเวทนาเกิดขึ้นจากใจสัมผัสธร ร, รมารงสัมผัสคือมันเป็นสื่อมันเป็นช่องออก สื่อของอะไรช่องออกของอะไรให้ตอบได้สื่อของใจช่องออกของใจท่านหามันมากับใจเพระเาะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าสมุ ท, ทยัยสมุ ท, ทยัยคือเป็นเหตุให้เกิดสิ่งนี้นเป็นเหตุดูไปให้ออกว่าเป็นเหตุเป็นเหตุให้เกิด มันเลยพลุนไ ป, นปนมารูทั้งหมดหกสิบรูหกสิบช่องหกสิบรูหกสิบช่องสิบหมวดหมวดละหกหกสิบเป็นหกสิบหกสิบช่องกระดกกระดิกยังไงถ้าเตัวมันเกิดขึ้นในหัวใจของเมันมีช่องออกเท่านั้นมันมีช่องที่จะเข้ามันมีช่องที่จะออกตันหาเรจาจะไปที่เดียวจะไปที่ใจเลยจะไปที่ความรู้สึกที่ใจใจอยาก ดูไปที่ความอยากของใจจับตัวเดียวอยู่เลยลรู้ละเหตุทั้งหลายท่านู้อ่วง60ช่องมันเข้ามาัมเข้ามาที่ไหนมันเข้ามาที่ใจเราไปจับที่เดียวอยู่หมัดเลยจับที่ใจทาความรู้สึกอยู่เฉพาะใจจับความอยากของใจตัหาเกิดที่ใจตัญหาเกิดที่ใจอย่างอื่น เป็นสื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยหนุให้เกิดช่องนั้นก็เกิดได้ช่องนั้นเกิดได้ช่องนั้นเกิดได้หกสิบช่องเราไปไล่ดูหกสิบช่องหกสิบรูพอเราไปไล่ตามนั้นก็พอดีแหละงองเต๊กไปหมดเลยจับไปที่ผู้รู้กผู้รู้ ร, รูตัวเดียวนั่นได้เลยจับไปที่นั่นคืออะไรตัห้หาเนื่อใจเฉยมันอยากได้านได้ทํา หรือมันอยากทำลายอัดทำลายธรรมถ้าอยากทำลายอัดทำลายธรรมนั่นเป็นเรื่องของกิเลสแต่ถ้าอยากรักษาเพื่อให้ได้อัดได้ธรรมนี่เป็นยาเพื่อมรักลองดูไปง่ายๆตัดสินใจง่ายๆไม่ให้มันสับสนไม่ให้มันงงดูไปที่ตัณหาที่หัวใจของเราจับที่ไหนง่ายที่สุดจับที่ใจจับที่จิตของเรา เอาอะไรไปจับก็เอาจิตนั่นแหละไปจับจิตอาศัยกิริยาของจิตอาศัยเจตสิกของจิตคือสติเจตสิกของจิตเจตสิกของจิตคือสติน่ะจับปฏิ่จิตเลยคือจิตรู้จิตไอ้ตัวตื่นตื่นรู้รู้น่ะที่เรียกว่าสติสติแล้วนึกยักแล้วนึกยักรู้จิตรู้ เราเลืรู้ไปที่จิตน่นละเอาสติราเลือกรูจิตรู้จิตรู้ว่าจิตอยากนั่นแสดงว่าตันหาเกาะแต่ถ้าอยากอยากเพื่อจิตสงบอยากเพื่อให้เห็นอา่านเหรร็นทมอยากธรรมมัจให้เกิดผลขึ้นมานี่อันนี้เป็นมัจอยากเพาไนายใจสงบเป็นมัจ อยากพิจารณาเกิดปัญญากเกิดความรอบรู้เป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติแล้วไปเมาว่าความอยากเป็นตันหาทั้งหมดอาศัยความอยากอันเดียวกันอันไหนเป็นอยากของมรรคอันไหนเป็นอยากของตันหามันก็แปลว่าความอยากเหมือนกันเลยถ้ามันไม่มีความอยากที่ชอบด้วยธรรมจะเอาอะไรไปดับความอยาก ที่เป็นไปตามกิเลสไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าไม่มีความอยากชอบด้วยธรรมเอาอะไรไปดับกิเลสอาศัยชอบตามธรรมมากๆนี่แหละถึงจะสามารถไปดับกิเลสได้มันไม่มีอะไรดับกิเลสได้เอาอะไรไปดับมันกิเลสพอเราเลืรู้พับไม่ใช่มันจะดับหมอ้อหายไปเลยมันเพียงแต่หลบหน้าไปเฉยมันไปนอนอยู่แอบอยู่ข้างๆนั่นแหละเดี๋ยวมันกระโผลมาอีกเดี๋ยวมันกระโผลมาอีก เราใสศอบรมมักให้เกิดจ่ออยู่ตรงนั้นแหละไม่ให้มันโผลขึ้นมาอีกโผลขึ้นมาปักหัวขาดโผลขึ้นมาปักหัวขาดพรลขึ้นมาปักจับปุ๊บหัวขาดเลยถ้าไปแย่มันโผลขึ้นมาปักสมมติเราคอยจับอยู่ที่ปากรูเนี่ยโผล่มาปักจับปุบ๊บเสร็จแล้วเสร็ เป็นข้อเทียบเคียงเฉยแต่นี้มันไม่ใช่แย่จับได้แล้วแต่มันมีตัวใหม่เต็มอยู่ข้างในฤทธิเดชของความอยากมันยังไม่หมดแต่เราค่อยๆรู้เท่าทันไปเรื่อยๆรู้เท่าทันไปเรื่อยๆอบรมให้รู้จักหน้ารู้รู้จักหน้ารู้จักตาของมันลอบรมไปเรื่อยฤทธิเดชของมันก็จะอ่อนลงเรื่อยอ่อนลงเรื่อยอ่อนลงเรื่อยคือเรา mm hmm. เริ่มฉลาดขึ้น มันก็จะเริ่มเสียท่าเรามากขึ้นเริ่มเสียท่าเรามากขึ้นผู้เสียท่าคือผู้รู้อยู่ในจิตนั่นแหละแต่ผู้ได้ท่าคือผู้รู้ของจิตนี่นแหละ mm hmm. เราโง่เราเองจิตของเรามันยังไม่ได้ฝึกหัดัแปลงขัดกล้าเพียงพอบางขณะมันก็โผล่ฉลาดมาบางขณะมันก็โผล่งงอมาเนี่ย เพราะง้อมันโผขึ้นมามันก็พายึดยึดยึดยึดย ด, ด้วยอำนาจของตัณหาตัณหาพาเราหลงพาเราโง่พาเรามืดพาเราทึบทำพวกเรารู้พาเราสว่างพาเราเห็นพาเราเบาสบายปลอดโปรง่งทำในหนวใจของเราดูมาที่ใจของเราวันทั้งวันเรานั่งดูแค่นี้เราไม่เสียท่าเราได้ท่าทุกระยะทุกเวลา มันจำเปจะต้องเป็นั่งจากหกสิบช่องเฮ้ยช่องนี้เป็นไงนาะเออช่องนี้เป็นไงเนาะเราเบี่ยงแต่ศึกษารู้จักท่านเองมันลงเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันก็ไปเกาะ อ, อยู่ที่ใจมัอนเกาะอยู่ที่ใจทาความรู้สึกอยู่เฉพาะใจกิริยาของมันก็หายไปทางความรู้สึกอยู่เฉพาะจิตกิริยาขาายางาองมันก็ดับมอดหายไป แต่มันยังไม่หมดผิดสง่์เดี๋ยวมันโผล่มาอีกอมันยังกำเริบอยู่มันยังมีฤทธิ์มีที่จะแสดองออกมาได้จับอยู่เรื่อยๆจับอยู่เนืองๆจับอยู่จนอ่อนจับออกจนหมดจนได้ตัวพ่อตัวแม่มันตัวอะไรตัวเฮียจับตัวเฮีย ท่านให้ปิดรูปิดรูปิดตาหูจมูกลิ้นกายเหลือช่องเดียวปิดใจคอยดูมันถล่มาที่ใจจับโผลมาจับโผล่ขึ้นมาไปจับเอาอะไรจับเอาผู้รู้เอาสติเอาปัญญาอะไรจับลองนั่งขยับจับดูที่มันกระดูกพลิกแปลงไปไงจับขยับปั๊บจับขยับปั๊บจับลองดูที่อ ทำได้ไหมลองดูที่เอียดมากเราถึงจะพอเห็นกิริยาการเข้ามาไม่งั้นไม่ทันมันไม่รู้มันเยอะมามันสวมรอยมาแต่มเมื่อไรน้ำไม่ทันนี่คือสมุทัยอย่าได้เกิดตัญหาตัญหาที่เกิดนี้คือตันหาใหม่ตันหาเก่ามันมีอยู่แล้ว ไอ้ตัวที่มันคอยผลักดันออกมานั่นแหละคือตัวตันหาเก่ามันมีอยู่ในนี้ทั้งรุ่นมันมีตัวเก่ามันมีตัวใหม่ตัวใหม่นี้มันสร้างขึ้นมาเพื่อเสริมเพื่อส่งเสริมเผาพันของมันให้มันหมดไปเหมือนกับผลไม้ที่มันมีหมากมีเมล็ดเพื่อที่จะร่วงลงไปแล้วไปโผล่เป็นต้นเป็นลำเป็นอะไรขึ้นมาอีกนั่นแหละ มันส่งเสริมเผ่าพันธุ์ของมันตัญหามันก็ส่งเสริมเผ่าพันธุ์ของมันเหมือนกันไม่งั้นมันก็หมดเผ่าหมดพันธุ์ไปเราระวังไม่ตัญหาใหม่เกิดตัญหาเก่ามันมีอยู่เราพยายามขุดลงไปขุดลงไปแย่ตัวแย่ที่มันโผล่มาให้เราจับต้องจับได้โอ้ เราไล่ขุดไล่ไปตามรูไปจับมีอยู่ข้างไหนได้จับออกจนหมดจับได้จนหมดเนี่เ <Yeah. S 1> พอะเราปิดรูนั้นรูนั้นรูนั้นเราปิดหมดแล้วเหลือรูเดียวไล่ตามไปตามไปตามไปไอตัวที่มันโผล่มาเราก็จับจับได้ตัวที่มันอยู่ข้างในเราไล่เข้าไปไล่เข้าไปไล่เข้าไปไล่เข้าไป มันไม่มีช่องออกมันจะออกเท่าไห น, นมันก็ออกไม่ได้มันก็ออกมาช่องเดียวเลยโผล่มาก็าจับโผล่มาแล้วจับโผล่มาแล้วจับมันก็แสดงที่แสดงเด็ดมันนึกจับออกจนหมดเนี่ยอุ ป, ปมาง่ายๆดูความอยากในหัวใจของเราเดี๋ยวนี้เราทุกข์เพราะตัณหาเนี่ยตัณหาพาเราทุกข์ วัตถะเจ้าตัวนี้มันโล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไร่มันออกฤทธิ์ออกเดชแสดงมีบทบาทอารวาสเยอะปกคลุมหุ้มหัวหัวใจของเราเนี่ยวิ่งตามหลังมันต้อยต้อยต้อยต้อยมันกระสิบกระซาบไปยังไงโอ๊ยิ่งกว่ายิ่งกว่าเจ้านายมันกระิบกระซาบไนยเชื่อมันหมดกระซิบกระซาบไปยังไงเชื่อมันหมด ชอบรูปดีๆชอบเสียงดีๆรูปเสียงชอบกลิ่นดีๆชอบรถดีๆชอบสัมผัสดีๆนิ่มนวลชอบนึกชอบคิดแต่สิ่งที่ดีๆงามๆรวมไปถึงรูปที่เป็นรูปวัตถุทั้งหลายทั้งปวงรวมไปถึงรูป ที่เป็นเหตุให้เรารักเราชอบความรักความใคร่ความชอบด้วยตัณหาด้วยราคะด้วยอะไรสรพัดแล้วมันจะเกิดขึ้นถ้ามันได้แสดงตัวออกมาแล้วเนี่ยโอ้มันมีอำนาจมากมีอำนาจพอที่จะหลอกให้จิตของเราหลงง่ายๆหลงไปตามมันง่ายๆ ตายช่างมันตายช่างมันคอยสมอยากคอยสมอยากตายช่างมันเนี่ยพันาไันนั้นนะใครมาขวางตายไม่เคยเป็นนักฆ่าคนมันก็ฆ่าคนได้สมมติมันกราคาบเหยื่ออยู่เต็มปากมีใครไปทํามั น, นตายดูที่มนุษย์แรงขนาดไหนโลกนี้ทุกเดือนร้อนเประมาณนี้แหละอืม ความเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ตัวความถือเนื้อถือตัวความถือทิฐิความถือมานะโมโหโถโซกับตามมาแหละมีใครมาขัดมาคอขัดข้องึีหัวใจตามมาแล้วเรานี่แหละเรานี่แหละใหญ่เรานี่แหล ะ, หล ะ, หละโตเรานี่แหละยิ่งใหญ่ต้องเราต้องเราต้องเรานั่นแหละตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาฤทธิเดชมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันไม่ยอมใคร ยอมตาดีกว่ายอมตาดีกว่าก็เพราะทิฏฐิมานาตัวนี้แหละตายช่างมันตายช่างมันคอยจะให้ทิฏฐิมานะมันตกไปตายช่างมันเห็นหมามกาดกันไหมเอาจริจะเป็นชักตา้มีเอาเคยเห็นไหมหมามันเล่นชงกรานเคยเห็นไหมหมามันเล่นชงกรานี้นไหมย มันทุกขนาดไหนฮะขนาดไหนโอ้ยวิ่งไล่กันเถอะกระปือไปดูหูฉีกตาฉีกกัะดามข้อเท้าข้อตีนข้อมือมันเนี่ยไปดูนูน่นไปดูน่อต้องนอนคอยรักษาแผลมันหน่อยตาชจังหน่นิดๆ ห, หน่อหนึ่งเอาฮะ นั่นลทเดชของมันน่ะลทเดตของตัณหาเนี่ยรู้จักไหมนั่นฤทเดชของมันมันจะไปกลัวเป็นกัวตายอะไรก็ตายช่างมันนั่นแหละรู้อะไรรู้จะจะตายมันรู้จักที่ไหนจะตายต้องกูต้องกูต้อง ก, ตองกูต้องได้ต้องได้ต้องได้เรื่องตายอยู่ข้างหลังอ้าว คนอื่นมีมีอาวุธเต็มมื อ, อ น, นี่ไม่มีอะไรเลยมือเปล่าตายช่างมันแล้วว่าเอาหลับตาสูด <c oughs> <c oughs> แล้วดูเธอทริดเด็กของมัน่ขนาดไหนแล้วตัวนี้แหละถ้ามันโผล่ขึ้นมาได้อาลรบ้าแหละชิพหายวายพวงหมดแหละม <c oughs> มันเลือกพ่อเลือกแม่เลือกลูกเลือกเต่าเลือกอะไรที่ไหนไม่มีการเลือก <c oughs> นั่นนั่นคือยอดของมันอะ ยอดของความอยากนั่นะคือไอ้เจ้าตัวการเจ้าตัวร้ายนั่นแหละไอ้จดไอ้ตัวที่มัดเราอยู่ในโลกตัวนี้แหละตัวเดียวนี่แหละมัดเราอยู่ในโลกมันเหนียวแน่นมันคงไหมดูไปที่หัวใจดูไปดูแล้วเครียดแค้นให้กับอะไร อ, ะอ่ะสนิทชะลอมันได้ไหมหยุดมันได้ไหมค่อยค่อยค่อยค่อยแกะค่อยค่อแผดเผา ค่อยๆดึงค่อยๆลากมันออกทีละเปาะทีลเปาะทีลเปาะทีละเปา ะ, ปะปแผ่เผาด้วยตปะปาทำนั่นแหละแผ่ไปเผาไปแผ่ไปเผาไ ป, าไปเหือดแห้งหายไปจนหมดไม่มีตัวตนเลยอไม่มีไม่มีตัวไม่ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเหือดแห้งหายไปจนหมดสมุทยเป็นสัจธรรมที่ไม่มีตัวตน หายหายหายไปเลยแจ็กหายไปไหนไม่รู้มันเหืดไปเลยหายไปเลยหมดกันเลยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปเหลือแต่เหลือแต่รูปที่บริสุทธิ์ไม่มีไม่มีอ น, นั้นมาแสดงบทบาทเหลือแต่นามที่บริสุทธิ์คือผู้รู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีไม่มีพลังของสิ่งเหล่านั้นมาแสดงบทบาท เอามาใช้อามาละวะอละวาดเอามาเพื่อรักเพื่อชังเพื่อโกรธเพื่อเกลียดเพื่ออะไรไม่มีเพราะพลังมันหมดไปแล้วมันเหือดแห้งหายไปแล้วยางเหนียวมันหมดไปแล้วมันเหือดแห้งไปแล้วไม้ที่เคยสดสดก็แห้งหมดไม้ที่เคยชุ่มดว ย, ยางก็แห้งไปหมดไม้ที่ยอดอ่อนมียางเหนียวมันก็เหือ น, นแห้งไปหมด เหลือแต่รูปลักษณะของมเมล็ดแต่มันไม่มียอดอ่อนมันไม่พร้อมที่จะเจริญหมายถึงมเมล็ดเน่ามเมล็ดเน่าใช่แล้วมันไม่พร้อมที่จะเจริญมันมเมล็ดพืชที่มันเน่าใช่แล้วจะเอาอะไรไปเจริญไม่มีอะไรเจริญก็เหลือแต่ซากมเมล็ดมันเท่านั้นเองนี่เจ้าอย่าเหนียวในหอใจของเราคือเจ้านี้ละ ตัณหาเป็นยางเหนียวตัณหาท่านี้แหละคือยางเหนียวกรรมเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นพืชตัณหาคือยางเหนียวในพืชอันนี้อันนี้เป็นหลักๆกรรมเป็นเนื้อนากรรมก็คือพฤติกรรมของเราเ ทำดีพฤติกรรมดีก็ไปเกิดในเนื้อนาดีกรรมไม่ดีพฤติกรรมไม่ดีก็คือเนื dazu, borg, ้อนาไม่ดีเนื้อนาดีหมายถึงเนื้อนาที่เป็นบุญที่เป็นอักเป็นธรรมเนื้อนาไม่ดีหมายถึงเนื้อนาที่เป็นเนื้อนาไม่งามเนื้อนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นเนื้อนาดีเนื้อนาไม่ กรรมเป็นเนื้อหนาเป็นข้อเปรียบเทียบกรรมังเขตตังกรรมังเขียดตั ง, ง, ตงวิญญาณ น, นองวิญญาณนังบีชังพีชังวิญญาณเป็นพืชพืชพร้อมที่จะไปเกิดในเนื้อหนาที่เป็นที่ดินตันหาคือยางเหนียวในพืช ในต้นพืช่มันมันจะมียอดอ่อนและมันจะต้องมียางเหนียวๆในยอดอ่อนนั่นแหละก็เรียกยอดอ่อนของพืชแต่ถ้าตัวตัวนั้นแห้งหมดแล้วเหือดหมดแล้วมีแต่มมเมล็ดเฉยๆไม่มียอดอ่อนเอาไปวานแซรไรก็ไม่ไม่ออกเพราะมันข้างในมันแห้งหมดแล้วนี่เป็นข้อเปรียบเทียบมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้มันไปเกิดอี เหตุคือสมุทัยสมุทัยที่จะไปเกิดเหตุที่จะไปเกิดที่จะไปเจริญอีกไม่มีเพราะฉะนั้นตัณหาเหือดไปแห้งไปอุปาทานก็เหือดไปแห้งไปโดยอัตโนมัติเพราะก็หายไปชาติคนที่จะไปอบัตที่ที่ที่ที่พบนั้นก็หายไปไม่มีอะไรเป็นเยื่อใหญ่ที่จะไปเกิดคือพูดถึงบุญถึงบาป ผู้พ้นบุญพ้นบาปพู้ถึงบุญถึงบาปผู้ค้นบุญพ้นบาปผู้ไม่รับบุญรับบาปผู้ไม่มีกรรมที่จะเป็นเหตุให้เราสืบต่อไปปฏิสนธิไม่มีพบไม่มีที่เกิดชักจนบมดความอยากตั้วันนี้แหละตัวความอยากตัวนี้แหละเป็นยางเหนียว ดูไปเห็นมันค่อยโผล่มาตรงนี้แหละตรงไหนตรงใจนี่แหละจับที่เดียวนีไม่หลงจับที่อื่นในสับสนเอ๊ะนี่มันอะไรวะนี่มันอะไรวะก่อยเจ้าตัวเดียวนั่นแหละไม่ไม่ต้องไปสงสัยมันเลยยำนั่งจับเข้าจับเจ้าตัวความอยากทําอะไรเจาะมามันี่ยทํำอะไรเจาะมาหามันโผล่มาจับต้องโผล่มาจับต้อง เพอมาจับปุ๊กิริยาที่เราทําแบบนี้เขาเรียกว่าิปัสนาวิปัสนาบางทีก็กําลังจับจับจัจมันก็อยกคิด่งไม่ได้หายใจอมันได้ทั้งสมถะไปทั้งวิปัสนาเราไม่แยกพูดเฉ ย, ยมันเป็นอะไรก็ช่างมันแหละลองทําให้มันได้กิริยาแบบนี้ ขอให้เอาเจ้าพลังตัวนั้นมันหือกดไปมันแห้งไปเถอะเราเอาให้ืดไปแห้งไปมันก็จะเริ่มดับดับดับดับดับเป็นนิโรธมันก็จะเริ่มดับดับดับดับดับเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทุกข์ไหมยากอยู่กับไอ้เจ้าตัวเดียวนี่แหละไอ้ทุกข์ยากอยู่ตรงไหนของมุมโลกด้วยเรื่องอะไรด้วยปัญหาสารพัดก็เจ้าตัวเดียวเนี่แหละ มันมีบทบาทมาครอบงนหัวใจของเราดูศึกษาเข้าใจแต่วิธีปฏิบัติดูมาที่นี่ที่เดียวตัวเดียวพอรู้อื่นประตูอื่นปิดหมดอ่าวันนี้พอสมควรเกิเวลามีใครจะกลับวันนี้มีใครจะกลับนะไม่มี มีใครจะกลับเหรอไม่มีฮะไม่มีเหรอแขกไปไหนแขกฮะกลับบ้านฮะแขกกลับบ้านวันนี้วันอะไรวันจันทร์เหรอ วันนี้วันจันไรต้องคารต้องารพุทธแล้วเดี๋ยวนี้มีใครเป็นเนยบ้างเดี๋ยวนี้อะมีใครเนบ้างหอง <c oughs> ดนอนผ่อนอาหารอดนอนผ่อนอาหารดูนะยังไงยังไงจะได้เอาให้มันเต็มที่ก็แล้วกันแหละนะไม่ต้องไป สงวนมันต้องมันต้องไปถนอมดอกโอยกลัวพอมโอยกลัวนอนไม่ได้ไม่ได้หลับนอนโอยกลัวสุขภาพเสื่อมมัแต่ปใจัยอ่อนให้มันอะมันสงวนพันมันไว้หมดแหละมันกลัวมันมจะสูญพัน